อาชีวะธรรมกศีลศีลที่มีอาชีวะเป็นที่แปดกลับอะไรนะรกุศลกรรมบกติทําไมเล้ย อ, อ๋อคืออย่างนี้คําว่ากุศลกรรมบทเนี่ยกุศลกรรมบทเนี่ยท่านขับเน้นถึงกายสุจริตวจีสุดจริตมโนสุจริตใช่ไหมงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลากักงดเว้นจากการประพฤติผิดกรรมสามแล้วนะกายกรรมสามวจีกรรมอีกสี่ เงดเว้นจากการพูดเทศส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจอ้อและมโนกรรมอีกสไม่โลภไม่โกรธแล้วก็สมาธิฐิที่เป็นกรรมสกตาสมาธิฐิอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรัลรยาณชนเป็นกรัลรยาภพุทชนได้ก็คือเดินในกุศลกรรมวรสิส่วนอาชีวธรรมกศีเนี่ยศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8อาชีวะเป็นที่8ก็คือสัมมาอาชีวะเป็นที่8ก็คือการสมาทานอะไรสมาทาน การงดเว้นจากการฆ่าการลากักการพื้นปิดในกรรมสามข้อแล้วก็สมาทานงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบลวเพื่อเจอเป็นเจดแล้วก็สมาทานสัมมาอาชีวะอีกข้อหนึ่งก็เป็นแดถามว่าตรงนี้ถามว่าต่างกันจากกุศลกรรมบดไหมเออมันต่างกันตรงตรงนี้ต่างกันตรงที่ว่าไอความไม่โกรธเนี่ยความไม่โลภความไม่โกรธเนี่ย กับตัวสมาธิฏฐิเนี่ยนะตัวนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้สมาทานไม่ได้ตั้งใจอย่างชัดเจนแต่จริงๆศีลกลุ่มเนี้แม้แต่าการสมาทานศีลใดๆก็แล้วแต่เนี่ยตัวศีลเนี่ยถ้าเราไปตัวดูตัวตัวศีลคําว่าศีลลนะศีลละนะสับเนี่ยมันมีสองความหมายหนึ่งสมาทานังกับอุปัฏฐารานางสมาทานังก็หมายความว่าการเจริญศีลก็คือทํากายกรรมวิจิกรรม ไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายไม่ให้ซ่านไปด้วยความทุศีลใช่ไหมพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายและทางวาจาเนี่ยไม่ไม่ให้ละเมิดศิกขาบทก็คือไม่ให้ไปทําบาปนั่นเองฉะนั้นถ้าเราดูตัวเนี้ยตัวศีระนาเนี่ยก็คือกายกรรมวิจีกรรมทั้งหลายไม่ล่วงละเมิดตัวตัวกิจของศีนก็คือกําจัดความทุศีลอักผลปรากฏของศีลก็คือกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดสรุปแล้วไปถึงใจด้วยนะ ใจที่สะอาดด้วยนะไม่ใช่ว่าทำวิสีนเนี่ยศีลไม่ใช่ว่าแค่ควบคุมทางกายกับวาจาเท่านั้นทางอาชีพเท่านั้นก็เทือนถึงใจด้วยเพราะคนที่จะตั้งมั่นในการรักษาศีลสมาทานศีลจริงๆเนี่ยสภาพเจตนาที่เกิดในใจอะต้องเป็นเจตนาที่ไม่ชั่วหละให้เป็นเจตนาที่ดีเป็นเจตนาที่ไม่ฆ่าสัตว์รักษาความพูดผิดในกรรมแล้วก็เป็นไปกับความไม่โลภไม่โกรธ ด, ด้วยถ้าเป็นศีลจริงๆน่ยนะเพราะอโลภาก็เป็นศีลความไม่โลภ อโทสะคือความไม่โกรธเมตาก็เป็นศีลแล้วปัญญาก็เป็นศีลทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงว่าความไม่โลภเป็นศีลได้ยังไง เ, เป็นยังไงรู้ไหมในขณะที่เราไม่โลภในการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเราเลยไม่ไปฆ่าเขาเราเลยไม่ไม่ไปรักเราเลยไม่ไปพิดผิดในการมเลยไม่ไปพูดเท็จเป็นต้นอ่ะโลภะเด่นอโลภะเป็นปัจจัยแห่งการ ขับเคลื่อนพฤติกรรมให้เป็นไปกับการดําเนินไปตามศีลนี่อโลพะคือความไม่โลภเป็นศีลอย่างนี้อโทสาก็คือความไม่โกรธเมื่อเราไม่โกรธไม่เครียดไม่อาค่าพยาบาทแล้วก็ไม่ไปฆ่าไม่ไปลกักไม่ไปบุพพิจิตรการเป็นต้นไม่ไปพูดเท็จเป็นต้นเนี่ยอโทสาก็เป็นศีลอย่างนี้อมโมหะคือปัญญาเป็นศีลอย่างไราะไปพิจารณาเรื่องกรรมผลของกรรม ทำเหตุอย่างนี้ทํากรรมแบบนี้จะทําให้อายุยืนทํากรรมแบบนี้ทําให้อายุสั้นทํากรรมแบบนี้มีทรัพย์มากทํากรรมอย่างนี้มีทรัพย์น้อยทํากรรมอย่างนี้จะทําให้ครอบครัวแตกแยกทํากรรมอย่างนี้แต่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นต้นมองออกไหมการที่ไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมในตัวปัญญาหรือเป็นตัวขับเคลื่อนให้ดําเนินกระแสชีวิตเป็นไปตามศีลฉะนั้นศีลมันกระเทือนถึงมโนกรรมด้วยไอ้มโนกรรมล้วนๆด้วยซ้ำไปแต่ว่าแค่ศีลอย่างเดียวไม่พอ เมื่อกายกรรมก็สะอาดวัจีกรรมก็สะอาดใจดีแล้วอย่างเนี้ยก็เลยเป็นฐานของปราโมทย์ปีติปัสสติสุขแล้วก็สมาธิเลยเป็นฐานของสมาธิได้ง่ายมองออกไหมพิจารณาถึงกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมเจอแล้วถ้าชื่นใจพอชื่นใจก็จิตเป็นสมาธิเป็นต้นนั้นสรุปว่าอาชีวธรรมกศีนก็ดีกุศลกรรมบทก็ดีเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความต่างกันถ้าจับตรงองค์งงธรรมแต่หลักการของศีลจริงๆคําว่าศีละนะเนี่ยคําว่า สมาทานังทํากายกรรมวิจิกรรมไม่ให้เกินก้นไม่กระจัดกระจายไปแล้วไปดูตัวผลปรากฏก็คือกายวาจาใจาสะอาดอะไรเป็นเหตุใกล้ฮิลิโอตปาเมืม่อความละอายตบาาความเกรงกลัวตวบาาเป็นเขียนเกิดศีลถ้ายิ่งเป็นอุปัฏฐารนังด้วยแล้วก็เป็นฐานรองรับกุศลธรรมเครื่องสูงเช่นสติปฐานสมนปะปทานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ากายวาจาใจาไม่สะอาดต้องได้สุดจริต3านะั้นสุดจริต3ก็คือศีลนั่นเอง แต่ก็เห็นไหมกระทบกระเทือนไปถึงกุศลกรรมบทอยู่ดีจะบอกไว้ว่าศีลห้าก็ดีศีล8ก็ดีศีลสิบอะไรก็แล้วแต่วัตถุประสงค์บางทีเนี่ยหนึ่งกายสะอาดวาจาสะอาดอาชีพบริสุทธิ์ก็คือความสะอาด3มอย่างทางกายวาจาใจนั่นเองอาจจะมีการถ้าเจาะกันไปลึกๆจริงๆแล้วดูเหมือนว่าอาชธรรมกศีลเนี่ยไม่คุมถึงทางด้านมโนกรรมจริงๆคุมด้วยถ้าศีลจะถึงมโนกรรมด้วยว่าจะมองเห็นไหม ยากไว้เนี่ยอ๋อต่างกันอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานปแวะปลว่าความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นว่าถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมพธิยานจะไม่ถอนความตั้งใจเด็ดขาดถ้าไม่ได้บรรลุปัจเจกพอดิยานถ้าไม่บรรลุสาวกบา ร, รมีญาณถ้าไม่พ้นทุกข์ไม่หยุดเนี่ยอลักษณะนี้เป็นอธิษฐานบา ร, รมีถ้าสัจจา ก, ก็คือว่า เปล่งวาจาใดไปแล้วรักษาวาจานั้นรักษารักษาไอ้ที่ตัวเองเปล่งวาจานั้นจริงทางวาจาจริงทางการกระทําแล้วก็จริงใจใช่ไหมมันสามอย่างนี้เขาเรียกสัจจะหนึ่งพูดไปแล้วพูดจริงไหมรักษาคําพูดด้วยไหมนี่เขาเรียกว่าสัจจะทางวาจาพูดจริงทําจริงแล้วก็มีอะไรกจริงใจเนี่ยครบองค์ศาระการนี้เขาเรียกสัจจะบารมีนะเรามีไหมข้เนี้ย ไม่ใช่ว่าฉันจะต้องฆ่าคนนี้นให้ได้พูดเปล่งวาจาไปแล้วนี่เป็นสัจธรรมีไหมนี่เขาเรียกอาฆาตสัจธรรมีต้องใช้กับสิ่งที่ดีนะอ่าเราเราได้พูดไปไหมว่าเราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ได้พูดได้ยังพูดหไดอยังพูดหรื อ, อยังข้าพเจ้าข อ, ข, อข้าพเจ้ากระทาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตมอบตอนอุทิศถวายเดีวพระพุทธเจ้าพูดได้ออยัง มอบตอนอยู่ที่ถวายได้๋ยวประมมอบตอนอยู่ที่ถวายเดี๋ระสงค์พูดได้อย่างนี้เขาเรียกว่าปรารถนาพ้นทุกข์ไหมถ้าไม่ปราถนาพ้นทุกข์ตามคำพูดเสียหายสัจจะไหมงั้นพูดไปแล้วเป็นสัจจะนะที่ที่โยมพูดไปเนี่ยพูดจริงไหมทําจริงได้ปะจริงใจไหมเนี่ยเนี่ยทำท่าแล้วเนี่ยจะเริ่มบิดแอกแล้วพวกเราเนี่ย